วิธีล้างใจจากการจองเวรถามอยากได้วิธีลัดๆในการกำจัดความคิดจองเวรออกจากใจทั้งเขาและทั้งเราครับตอบคำถามข้อนี้ขอตอบด้วยคำตอบเดิมกับข้อก่อนคืออาศัยเมตตาจิต แต่อาจมีอุบายชนิดลัดสั้นตามที่คุณขอมาให้ไปที่หน้าหิ้งพระหากใครไม่มีโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านก็หารูปแทนพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในที่สูงเหนือศีรษะก็ได้แล้วทาความรู้สึกว่าถ้าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราจริงๆเราจะรู้สึกถึงรัศมีความปลอดภัยรัศมีความปลอดเวร เพราะพระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ด้วยการให้ความเกื้อกูลไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยเจตนาทางกายวาจาหรือแม้กระทั่งใจคิดสักครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงกระแสเมตตามหากรุณาของพระองค์ท่านคุณรู้สึกถึงความโปร่งเบาโล่งสบายเฉพาะหน้าจากนั้นให้เปล่งวาจาชัดถ้อยชัดคำว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ไม่ผูกเวรกับใครขณะกล่าวให้ทําความรู้สึกถึงความจริงนั้นหากเกิดดวงความอบอุ่นหรือสัมผัสชัดถึงความว่างจากภัยเวรขอให้ทราบว่าด้วยการเปล่งวาจาประกาศคุณของพระพุทธองค์ของคุณได้เหนี่ยวนําเอาพลังแห่งความจริงดังกล่าวมาเข้าตัวคุณในบัดนั้นแล้ว ช่วขณะดังกล่าวจิตคุณจะปลอดจากความผูกใจพยาบาทไม่อยากก่อเวรกับใครทั้งโลกรู้ไว้ว่าจิตของคุณเป็นดวงกุศลมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธคุณให้เป่าลมปากเพื่อใช้ธาตุลมเป็นสื่อเหนี่ยวนำจิตให้เกิดความรู้สึกชัดน้อมนึกให้สายลมนั้นไปประทะบุคคลอันเป็นเป้เปาหมายเสมือนเขานั่งอยู่ตรงหน้า ระหว่างคุณกับเขาคือความปลอดภัยปลอดเวรเอ่ยสามครั้งเป่าปากสามครั้งเพื่อสัมทับอารมณ์ให้หนักแน่นหากทำเช้าเย็นหรือทีกว่านั้นก็ยิ่งดีสิ่งที่คุณจะรู้สึกชัดกับตัวคือเหมือนมีรัศมีพุทธคุณมาป้องจิตไม่ให้หลงเข้าไปเกลือกล้วกับเวรใดๆ และเหมือนมีความอบอุ่นปลอดภัยห่อหุ้มกายใจเกือบตลอดเวลาแต่สิ่งที่คุณอาจไม่ตระหนักคือดวงความอบอุ่นปลอดภัยนั้นเป็นพลังเมตตายอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับความรู้สึกของคู่เวนของคุณโดยตรงตามธรรมชาติกระแสจิตที่แผ่กระทบกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัวยิ่งดวงความอบอุ่นขยายกว้าง และจิตใจคุณสงบเยือกเย็นอยู่ภายในยิ่งขึ้นเท่าไรเขาก็จะค่อยๆรู้สึกแบบเดียวกับคุณมากขึ้นเท่านั้นถ้าทำขณะเห็นหน้าอาจาไม่ได้ผลเพราะกําแพงความเกลียดกันมาขวางบางังต่างจากตอนทำลับหลังซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ตั้งกําแพงความเกลียดกันไว้การทาลับหลังอย่างบริสุทธิ์ใจจะให้ผลน่าประหลาดใจ เมื่อเจอหน้ากันครั้งต่อไปมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามหากคุณแผ่เมตตาด้วยวิธีนี้จนจิตเกิดกระแสเมตตาท่วมทนก็อาจพบว่าการแผ่เมตตาซึ่งซึ่งหน้าได้ผลไม่แพ้เมื่อทํารับหลังเช่นกันหากเปล่งวาจาอ้างสัจจกความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ผูกเวรกับใคร แล้วใจยังไม่นิ่งไม่น้อมก็อาจสวดมนต์บทอิติปิโสสักสองสามจบให้ใจสัมผัสกระแสพุทธคุณกว่าเดิมแล้วค่อยเปล่งวาจาก็ได้หวังว่าคงเป็นทางลัดที่ลองแล้วประสบความสำเร็จเร็วดังใจนะครับ